นิทานไทยเกรลักและกริตารีเนิ่นนานมาแล้วยังมีราชาราชินีและเจ้าชายตัวน้อยอาศัยอยู่ในอาจักรที่มีความสุขพวกเขาไม่มีสิ่งใดต้องกังวลเลยแต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อคืนหนึ่งมังกรรีดโจมตีพระราชวังและลักพาตัวเจ้าชายไปเจ้ามังกร บินอย่างเนื่นนานและรวดเร็วเพื่อไปยังดินแดนของมันแต่ก็ต้องถูกสกัดกั้นไว้โดยผู้บัญชาการกองทัพทหารจากอาณาจักรแห่งขุนเขามั่กรบินหนีเอาตัวรอดโดยทิ้งเจ้าชายไว้เด็กน้อยถูกนำตัวเข้าพบราชาแห่งขุนเขาเจ้าเป็นใครกันหนุ่มน้อยเจ้ามาจากที่ใด ขาชื่อกิตารีมาจากที่ไกลแสนไกลท่านพ่อของข้าคือราชาแห่งกูแลนอ๋ออาณาจักแห่งนั้นเองไกลมากเลยเราจะส่งสารไปบอกเขาว่าเจ้าปลอดภัยกว่าจะถึงตอนนั้นอยู่กับพวกเราไปก่อนนะขอพระทัยฟา้าบัดราชาแห่งขุนเขาส่งสารมากมายไปยังราชาแห่งกูแลนด์แต่ทุกๆครั้ง บางกอนจะสกัดกั้นไว้ด้วยเวทมนต์ของมันเมื่อส่งสารกว่าสิบครั้งและไม่ได้รับการตอบรับจากราชาแห่งกูแลนเลยราชาแห่งขุนเขาจึงตัดสินใจรับเจ้าชายเป็นลูกของเขานั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยนะฟาบารเจ้าชายนะ่ะเป็นเด็กนุ่งวิเศษเขาจะเป็นราชาที่ดีให้กับดินแดนของเราต่อมา ผู้บัญชาการได้มีลูกสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเกรย์ลักทั้ ง, งดงามฉลาดและรู้จักเวทมนตร์เธอและเจ้าชายกริตาลีกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและก็รักกันในที่สุดเกรย์ลักเราไม่ควรบอกพ่อของพวกเราจริงหรอว่าพวกเรารักกันคิดให้ดีสิกริตาลีเจ้าเป็นถึงเจ้าชายเจ้าต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิงสิเจ้าก็รู้ ถ้าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นและท่านพ่อคงเหมือนกันเจ้าเป็นราชนีหนึ่งเดียวในใจข้าข้าจะไม่ยอมแต่งงานกับใครอื่นราชาแห่งขุนเขาและผู้บัญชาการของเขามีความสุขมากกับมิตรภาพของพวกเขาและวางแผนให้กริตรีและเกรยลักได้แต่งงานกันแต่ชีวิตมีแผนอื่นเสมอมังกรไรเวทมนต์ใสอาณาจักร และลักพาตัวเกลักกับกริตารีไปในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้เจ้าชายกริตารีเจ้าต้องการอะไรจากข้าข้าต้องการบูชายของราชาที่เกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวงของเดือนแห่งมังกรและบูชายันเขาในกองเพลิงเพื่อจะได้เป็นอมตะเหนือโลกใบนี้ เจ้าคือเจ้าชายคนนั้นและตอนนี้ข้าจะบูชายันเจ้าในกองเพลิงเพื่อที่จะได้เป็นมังกรที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาปล่อยข้าเปอิสระสิเจ้าจะได้เห็นว่าข้าจะใช้ดาบของเจ้าทำอะไรเจ้านกยักษ์โอ้งั้นเหรอเอาสิ เอาเลยกริตารีเจ้าสู้ได้ไม่นานหรอกนะเขาเน่จะใช้พลังเวทมนต์สู้กับเจ้าบนโต๊ะนั่นน่ะมีกล่องขี้เท่าอยู่แค่เอามันให้ข้าในขณะที่เจ้าสู้แล้วก็ตัดจ้าให้ข้าแล้วอยู่ใกล้ๆข้าไว้ข้าจะรับช่วงต่อเองดังที่เกรนลักบอกกิตรีเขานำกล่องขี้เท่ามาให้เธอและยืนอยู่ใก ล, ใกล้ๆ มังกรใช้มีเท้าของมันและใช้เวทมนจอจมตีพวกบที่กริตาลีเกรลักรอยคิดเท้าใส่ตัวเองและกริตาลีถ้ามังกรได้หายไปพวกเขาพบ ว, ว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทั้งกริตาลีและเกรลักเปลี่ยนเป็นเปลววานเปรววานกระแทกดินแดงไปที่มังกร จนมังกรไม่สามารถขยับได้และการต่อสู้ก็จบลงกริตารีและเกรลักว่ายน้ำออกมายังเหนื่อยล้าและพวกเขาก็กลับคืนสู่ร่างเดิมนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะมังกรไม่ชอบน้ำการลากเขาไปที่มหาสมุทรนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะกำจัดเขาแล้วเราจะเอาอยัางไงดี อาณาจักรของพวกเราอยู่ทั้งไหนอนาณาจักรของพวกเราอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกที่เดียวที่เราจะได้ไปต่อคือโกลแลนอาณาจักรของพ่อเจ้าจริงเหรออีกไกลไหมข้าพาเจ้าไปที่นั่นได้ทันทีแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าอย่างหนึ่งนะได้ทุกอย่างเลยเกรลักไม่ว่าจะยังไงเจ้าห้ามดื่มน้ำเด็ดขาดหากเจ้าทำ โชคร้ายครั้งใหญ่จะมาเยือนพวกเราและเก็บสิ่งนี้ไว้กับเจ้านะเพราะคิดเท่าเหล่านี้มีเศษเสี้ยวความชั่วร้ายอยู่อย่าทิ้งมันไปเด็ดขาดถ้าเจ้าทำเจ้าจะลืมข้าจนกว่าเจ้าจะได้แต่งงานทิ้งมันไปข้าไม่เข้าใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องห้ามดื่มนะ้ำหากข้าทำโชคร้ายครั้งใหญ่จะมาเยือนพวกเรา ข่าต้องห้ามทิ้งสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดหากข้าทำจนกว่าข้าจะได้แต่งงานต้องทิ้งมันไปเจ้าสาวคนไหนเกรลักข้าจะลืมเจ้าได้ยังไงข้าจะแต่งงานกับเจ้าคนเดียวเท่านั้นมันเป็นวิธีแ ป, ปลกๆของเวทมนต์นะกิตารีได้โปรดทาตามที่ข้าบอกนะแน่นอนข้าจะทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการ ข้าไปไม่นานหรอกนะข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่นะดังนั้นเกรย์ลักจึงโปรยคิดเทาไปที่กีตอรีและในทันทีเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าประตูพระราชวังของราชาแห่งโกแลนวังอยู่ตรงนี้แล้วข้าควรจะรีบเข้าไปดีกว่า ประตูของวังดูเหมือนจะอยู่ใกล้แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเดินแค่ไหนกิตารีก็ไม่สามารถไปถึงประตูได้เป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงที่กำลังเดินดูเหมือนเขาจะเดินได้หลายไมล์แต่ก็ยังไม่ถึงประตูสักทีแสงแดดร้อนมากเจ้า ช, ชายกิตารีเริ่มอ่อนลา้าและกระหายน้ำเขาขาดน้ำมาก ทำให้ลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคําสัญญาที่ให้ไว้กับเกรลักทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงของแม่น้ำเขารีบวิ่งไปในทันทีอถ้าไม่ได้ดื่มน้ำเขาต้องตายแน่เลยนั่นเจ้าใช่ไหมลูกรักท่านพ่อใช่ข้าเอง ลูกรักพวกเราคิดถึงเจ้ามากเลยข้าก็คิดถึงท่านเช่นกันท่านแม่เจ้ากลับมาแล้วข้าวังไปจัดงานเลี้ยงจอดรับลูกชายของพวกเรากนเจ้าชายเจ้าชยแห่งโกแลนกลับมาแล้วทั่วทั้งอาณาจักรเต็มไปด้วยความยินดีปรีดากิตารีได้หยุดทำสิ่งที่เกลักเตือนเข้าไว้ทั้งดื่มน้ำและทิ้งจี้ของเธอ คิตอรีได้สูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับเธอและดินแดนแห่งคุนเขาเกรลักรอเขามานานหลายวันแต่เขาก็ไม่กลับมาเธอรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเจ้าชยายที่รักของข้าได้ลืมข้าไปแล้วโอ้พระแม่แห่งสายลมข้าควรทำยังไงดี ชีวิตก็แปลกเช่นนี้ล่ะมันมีดีบ้างมันมีแย่บ้างแต่ความสิ้นหวังไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปเลยเมื่อได้สติจากเสียงแห่งธรรมชาติเกรลักใช้คิดเท่ากับตัวเองและเมื่อถึงแม่น้ำที่เจ้าชายกีตารีดื่มน้ำเธอพบจี้ของเธอและเอามันไปจากนั้นเธอก็เข้าไปในอาณาจักร แล้วเริ่มหางานทำ mm hmm. ข้ากำลังหางานทำมีใครต้องการผู้ช่วยสกคนไหมเ mm hmm. ออใช่เลย mm hmm. เจ้าดูสดใสแล้วก็ยังสาว mm hmm. เราต้องการใครสกคนคอยดูแลโรงม้าแล้วก็คอกมา้า mm hmm. เจ้าทำงานนี้ได้นะหากไม่รังเกียจเ mm hmm. ออได้คะ่ะ แค่ทำให้ข้าดูว่าต้องทำยังไงข้ารับรองว่าข้าจะทำให้เจ้าพอใจงั้นก็ดีเลยมาสิลูกสาวของชาวนาทำให้เธอดูว่าเกรลักต้องทำยังไงไม่นานเกรลักก็เชี่ยวชาญในงานของเธอครอบครัวของชาวนามีความสุขเกรลักทำความสะอาดโรงนาและคอกม้ออย่างดีเธอได้นำบัวและมมาออกไปกินหญ้า และยังดูแลอานมาให้สวยงามและเธอยังสามารถทำอันมาได้ด้วยตัวเองทหารม้าผู้ยิ่งใหญ่มารับอานมาจากเธอและเธอก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในดินแดนแห่งนี้วันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกิตารีควบม้าอยู่ในป่าและเกรละากำลังเลี้ยงสัตว์อยู่อ่าอาลมานี้เริ่มหลวมแล้วสิข้าช่วยท่านได้นะเจ้าชายดูเหมือน มันจะหักแล้วนะถ้าท่านมาที่ทำงานของข้าได้ข้าทำอ่านหม่ให้ท่านได้จริงเหรอเจ้าคือคนทำอ่านม้าที่มีชื่อเสียงใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าข้ามีชื่อเสียงหรอกนะเจ้าชายแต่ข้ารู้ว่าอ่านม้าทำยังไงกิตเตอรีไม่มีความทรงจำใดเลยเกี่ยวกับเกลักเขาไปกับเธอที่บ้านของชาวนา ในไม่ช้าเธอก็ทาอันม้าอันใหม่ให้กับเขานี่อันม้าของท่านเจ้าชายขอบคุณมากนะมันมันเยี่ยมไปเลยข้าจะตอบแทนอะไรแก่เจ้าได้บ้างก็ถ้าท่านจะตอบแทนข้าแค่สัญญากับข้าได้ไหมไม่ว่าเมื่อไรที่ท่านมีงานมัน่นท่านจะเชิญข้าไปงานด้วยและให้ข้านั่งคักท่านในงานเลี้ยงนั่น เป็นคำขอที่ค่อนข้างแปลกนะแต่ข้าสัญญาความปรารถนาของเจ้าจะเป็นจริงท่านคิดว่าเจ้าชายต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงใช่ไหมนั่นเป็นประเพณีที่ต้องทาที่จริงแล้วพรุ่งนี้ข้าต้องไปที่อาณาจักรใกล้เคียงเพื่อหาเจ้าสาวจากเจ้าหญิงทั้งเจ็ดที่นั่นขอบคุณมากนะสำหรับอ่านมาดังนั้นวันต่อมาคฤตอร์จึงไปยังอาณาจักรใกล้เคียง เพื่อทาพิธีเลือกเจ้าสาวเขาเลือกเจ้าสาวที่สวยที่สุดจากพวกเธอทั้งหมดงานแต่งถูกจัดขึ้นในโกแลนเจ้าหญิงที่กริตารีเลือกนั้นแท้จริงแล้วเธอไม่ใส่ไม่ดีเลยไม่นานเขาก็ตะหนักได้ว่าเขาไม่ชอบเธอเจ้าจะให้้านั่งเรือพายลานี้จริงๆเหรอสิ่งได้กลิดแบบเนียนะนี่ไม่ใช่เรือพายมันเป็นเรือสำเภา เจ้าอยากให้มันสวยได้แค่ไหนกันถ้าเข้ารู้ว่าเจ้ารสนิยมแย่ขนาดนี้ขเขาคงไม่มีวันตอบตกลงแต่งงานกับเจ้านั้นก็ต่างคนต่างอยู่เถอะเจ้าชายและเจ้าหญิงมาถึงโกแลน์แต่าอารมณ์ของเจ้าหญิงก็ไม่ดีขึ้นเลยเจ้ามีวังเล็กๆแบบนี้เหรอมันมีพันกว่าห้องเจ้าอยากให้มันมีอะไรอีกละ่ะ มันน่าเกลียดแถมย่างเล็กอีก <S <S ในมิถุาวันแห่งการมั่นก็มาถึงตามที่สัญญากิตเตอรี่เชิญเ ก, เกลักมาร่วมงานและให้เธอนั้นข้างๆเขาในงานเลี้ยงเจ้าหญิงไม่พอใจกับสิ่งนี้เพราะหญิงที่นั่งต๊ะกับเราเนี่ยเป็นใครกันเหรอนางเป็นช่างทําอานม้าที่มีชื่อเสียงในโกแลนอะไรนะ ให้ช่านทําอันมามันนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราอย่างนั้นเหรอระวังพฤติกรรมเจ้าหน่อยนะเจ้าทําอย่างนี้ได้อย่างไรดูเหมือนว่าข้าจะทําให้งานกล่อยนะข้าไปก่อนดีกว่าไม่ข้าสัญญากับเจ้าแล้วเพียงรับของขวัญนี้จากข้าเจ้าชายสวมที่ข้อของเจ้าและข้าจะถือว่าคําสัญญาของท่านสาเร็จแล้วได้แน่นอน เจ้าห้ามทิ้งเส้นนี้เด็ดคาดถ้าเจ้าทำเจ้าจะลืมคข้าจนกว่าเจ้าจะได้แต่งงานทิ้งมันไปเจ้ากล้าใส่จี้นาเกลีดเส้นนี้เหรอเกรย์ลักเจ้านั่นเอง ในที่สุดเจ้าก็จําค้าได้ใช่ไหมใช่ใช่ข้าขอโทษนะข้าไม่ได้สนใจสิ่งที่เจ้าบอกเลยนี่ข้าทำอะไรลงไปอะไรอีกแล้วเนี่ยชู้หญิงน่าเกลียดที่มาในงานมัดของเราแล้วยังให้หนังนั่งร่วมต๊ะกับพวกเราอีกแล้วก็ยังสมจี่เนาเน่าเส้นนี้อีกอะจะเหยียดยามอะไรกันอีกแล้วเนี่ยโอ้เจ้าหญิงหากเจ้าพิจารณาตัวเองดีๆเรื่องที่เจ้าบอกว่าอาณาจักรแห่งนี้น่าเกลียด บางทีจะต้องลองคิดใหม่ในการมั่นกับลูกชายของข้าโอ้ใช่ล่ะข้าต้องการกลับไปหาพ่อของข้าเดี๋ยวนี้และขอยกเลิกงานมั่นครั้งนี้ซะข้ามั่นจะให้ลูกชายเราคงเสียใจแต่ข้าจะส่งเจ้ากลับไปอนาจักรของพ่อเจ้าด้วยเรือที่นาเกลียดของพวกเราเออสวัสดงโปรดคงไม่มีใครที่นี่คิดถึงทางหรอกนะ หญิงสาวที่งดงามคนนี้คือใครเหรอคนที่รักที่สุดในชีวิตของข้าท่านแม่ผู้หญิงที่พาข้ากลับมาหาพวกท่านและเจ้าชายก็บอกเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อและแม่ของเขาเกี่ยวกับชีวิตในขนเขาแต่ข้าไม่ใช่เจ้าหญิงนะคะ่า บ, บาดใครเป็นคนบอกเจ้าว่าเจ้าชายต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงเท่านั้นคนเราต้องแต่งงานกับคนที่เรารักสิและข้าเห็นว่าพวกเจ้ารักกันอย่างสุดหัวใจ ดังนั้นราชาแห่งโกแลนด์จึงส่งสารไปรยังราชาแห่งคนเขาและผู้บัญชาการของเขาเพื่อมางานแต่งงานของเกรลักและกิตารีงานแต่งถูกเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาไม่เคยแยกจากกันอีกเลยและเกรลักกับกิตารีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิดนิรัน